ดูก่อนอันรุทะในการใดแลเธอจากเรึกมหาปริสวิตก8ปรตะการนี้และจากเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชานสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นเสนาสนะคือโคลไม้จากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษเหมือนอะไรเหมือนเรือนยอดของคึ้หาบดีว่างั้นเนี่หมือนปราสาสที่เขาอบกลิ่นเนี่ยนะเป็นอย่างดีว่างัน้น ที่ฉาพาว่าอย่างดีปราศจากลมเนี่ยนะโคนไม้นี่เหมือนปราสาทอะไรกันนะนะเหมือนอยู่ตึกอย่างดีเลยถ้าเธอจากตึกมหาปริสวิตตกแปดประการนี้และได้ฌานสี่อย่างนี้เนี่ยนะนอนอยู่ที่นอนใดเนี่ยนะจะเป็นที่นั่งที่นอนที่ลาดด้วยหญ้าอนะไรก็คือหาพวกใบไม้ใบไผ่ใบอะไรมากองกองแล้วก็หาผ้ามาปูเนี่ยนะก็บอกว่าที่นั่งอันนั้นอ่ะเหมือนกับบอลังเนี่ยนะ เหมือนกับบอลลังเหมือนกับเก้าอี้อย่างดีของคึงหาบดีหรือบุตรของขฤหาบดีอ น, นะอันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยผ้าสันถานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานแดงมีหมอนข้างแดงทั้งสองข้างเฉะนั้นแม็โคไอที่นั่งอันนั้นเนี่ยปัดใบไม้เก่าๆมาแล้วปูผ้าเนี่ยโอ้อย่างกับบอลลังของพระราชาอันนั้นนะ มีความสุขมากเหมือนกันถ้าเจริญได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในขาดแคลนปัจจัย4ใช่ <c oughs> คือว่าโดยรวมๆนะผู้ที่เจริญกรรมฐานหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษของของกรรมมคุณ5เนี่ยอะไรเพราะกรรมคุณ5มันรวมอยู่ที่ปัจจัยสี่ เพราะฉะนั้นก็จะน้อยเนื้อต่าใจเรื่องผ้าที่ตัวเองใช้เนี่ยโอ้ยทำไมคนอื่นเขาใช้ผ้าดีๆของเราทําไมจะมีแต่ผ้าเร็วๆมาใช้คนอื่นเขาอาหารอย่างอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมของเราอาหารเนี่ยออ้ยไม่รู้แบบสำนวนว่าเอาไปเททิ้งก็ยังไม่มีใครมาแตะต้องเลยนะแหมทําไมเรามันเนาะเออคืว่าอาภัพในเรื่องอาหารมากคนอื่นเขามีบ้านช่องห้องหออยู่ทําไมเรามาอยู่โคนไม้เนี่ยนะ คนอื่นเขามีเตียงเป็นอย่างดีทําไมเรามานั่งมานอนแบบเนี้ยโดยมานจะน้อยเนื้อต่ําใจนะด้วยอํานาจของมานะหรืออะไรก็ตามทีนี้พอมีคุณธรรมแบบนี้เขา้าอ้าวไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแลา้วเหมือนนนะโอได้เป็นอย่างดีแล้วนะ <c oughs> พอนึกถึงสูตรนี้ทําให้นึกถึงว่าเ้ามีคนบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารอยู่บนตึกเป็นอย่างดีเนี่ยบนปราสาทกับพระพุทธเจ้านั่งโคนไม้ลมโกรกเนี่ยนะใครมีความสุขกันเหมือนกัน กับข้าคนทั่วไปเปรียบเทียบก็บอกใหม่พระเจ้าพิมพิาสารสิมีความสุขกว่าพระเจ้าถามว่าพระเจ้าพิมพิสารนั่งสวยสุขอย่างเดียวบนนั้นอนะ่ะเจ็ดวันได้ไหมไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่งสวยสุขอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นปนเลยเจ็ดวันทําได้เอาถ้าใครสุขกว่ากันนะกันนี้โอ้ยเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วนะคือพระอริยะทั้งหลายทั่วไปโดยมากท่านก็อาจทุกข ก, กายวิญญาณอาจจะมีอยู่บ้าง นะแต่ท่านก็พิจารณาอ น, นั้นเป็นอภโภหาริกใช่ไหมเพราะผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสุขากายวิญญาณแต่ว่าไอ้มโนทวานมันเป็นยังไงเนี่ยนะโดยมากแล้วมันร้อนตลอดนะถึงจะหัวเราะก็ร้อนอยู่ดีเพราะอะไรร้อนด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเนี่ยเผานะทีนี้ก็ข้อต่อไปอีกเขาบอกว่าถ้าเธอมีคุณธรรมอันนี้นะยาดองด้วยน้ามูดเน่าโดยปกติเขาจะเอาบสมอมาดองเยี่ยวโคนเนี่ยนะอ่ะ จากปรากฏแก่เธอเหมือนเพสัตว์ต่างๆที่ทำจากเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยของครหบดีหรือบุตรครหบดีฉะนั้นเนี่ย น, นะบอกแหมไอสมอดองน้ำเยี่ยวเนี่ยพอกับน้ำพึ่งเลยอะ่ะก็แสดงว่าท่านเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในอริยวงเนี่ย น, นะเพราะผ้าอริยะทั้งหลายหรือวงของผ้าอริยะท่านเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่และยินดีใน ภาวนาพัน้าเธอยินดีในภาวนาแบบนี้อยู่แล้วคือยินดีในมหาปริสวิตตกน้อมจิตไปในนิพพานได้ฌานสี่นะอันนี้แหละคือคุณธรรมคือภาวนาถ้าเธออยู่ในคุณธรรมคือภาวนาแบบนี้เนี่ยนะปัจจัยสี่คือจีวนที่เก็บมาจากผ้าต่างๆเอามามาทานุ่งห่มอาหารที่ได้จากบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยที่เป็นโคนไม้ที่นั่งที่นอนที่เป็นนะโคนไม้อีกนั่นแหละ อันนั้นเนี่ยก็สาเร็จแกเธอแล้วใช่ไหมคุณธรรมอันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระอริยะจะต้องจะต้องมีใจน้อมไปแบบนั้นเนี่ยนะถึงถึงเป็นพระพิสุทที่อยู่ในในกุติที่เขาทำให้อย่างดีหรือในอะไรก็ตามนะท่านต้องมีจิตน้อมในลักษณะนี้เหมือนกันหมดเนี่ยนะคือหมายให้ว่าอยู่ก็อยู่ไปแต่ว่า ไม่ได้ติดข้องเหมือนกับอยู่โคนไมน้นะต้องทาใจได้ขนาดนั้นจึงจะจึงจะได้คุณธรรมถ้าไม่ไม่ทําใจแบบนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ยินสันโดษในปัจใจสี่เนี่ยนะและยินดีในภาวนาและยินดีในการละกิเลสด้วยเนี่ยนะทีนี้พอพระ อ, องค์สอนอย่างนี้เสร็จพระ อ, องค์ก็ตรวจดูที่ไหนมันจะเป็นเสนาสนะส ป, ปายะสําหรับอันพระนรุธะอันนี้ต่อไหม องก็ตรวจดูอ้าวที่นี่แหละเหมาะที่สุดที่จะสําหรับกรรมฐานในสูนี้ตามที่กล่าวไปแล้วนะพระพุทธเจ้าแสดงนิพพานไว้ห้าฐานะนนะแสดงแสดงพระนิพพานไว้ห้าฐานะฐานะที่หนึ่งก็คืออะนะันตได้มหาปริสวิตตกยินดีในผ้าบังสกุลจีวอนแล้วจิตน้อมไปในนิพพานในฐานะที่หนึ่งฐนะานะที่สองก็ได้สันโดษขอไปมหาปริสวิตตก แปดชานสี่แล้วก็ยินดีในอาหารที่ได้มาในโดยบินทบาทก็น้อมจิตมุ่งไปสู่พระนิพพานอันนั้นก็ฐานะที่สองฐานะที่สามก็คือมหาปริสวิตกแปดชานสี่คือโคนไม้อยู่เสนาสนะคือโคนไม่อันนี้ข้อที่สาข้อที่สี่ก็คือที่นั่งนะนีที่นั่งที่พื้นนะนีอันนั้นก็นิพพานที่สี่เพื่อประกาศนิพพานอย่างที่สี่อย่างที่ห้าก็คือยาดองด้วยน้ํำมูดเน่านอันนั้นแหละเป็นกล่าว ถึงะนิพานห้าฐานะนันะปัญโภก็พิจารณาเอาที่ไหนจะเป็นส ป, ปายะนะที่ที่จะปฏิบัติแล้วก็ให้แทงตลอดโลกุตระธรรมต่อไปได้ปัะองค์ก็แนะนำว่าดูก่อนอนุรุธถ้าอย่างนั้นเธอพึงอยู่จำภรษาที่วิหารในปาจีนวังสะทายวันเคว้นเจดีนี่แหละต่อไปเถิดท่านทานุรุธะก็รับที่พระผู้มีพระภาคแนะนาส่วน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสสอนท่านพระนุรุทธะด้วยโอวาทนี้แล้วสเสด็จออกจากวิหารปาจีณวังสะทายวันแขวนเจดีนครไปยังไ ป, ไปปรากฏที่ป่าเพสการามมิกทายวันแขวนเมืองสุงสุมาราคิระแขวนพัะเนี่ยนะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้ว คันแล้วตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่าเนี่ยนดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเราจากแสดงมหาปริสวิตกแปดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ให้ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะพิกษุก็รับคำคือพระองค์พอไปแสดงมหาปริสวิตกให้พานุธฟังแล้วก็กลับมาแสดงให้พระพิสษจ์ที่นี่ฟังอีกครอบหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาจะแตกต่างกันบ้างเนี่ยนะ คือถามว่าเนื้อหาแตกต่างกันเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยขยายตามอัตกถาส่วนตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ขยายมหาปุริสวิตก8นั่นแหลอีกนัยยะหนึ่งนั่นบอกว่าธรรมะนี้เป็นของผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นนะซึ่งหัวข้อเหมือนกันหมดนั่นะเสร็จแล้วก็ขยายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าดูดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วนะอย่างที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้นะว่ามักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในอธิคมมักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงนี่แหมของเราก็ว่าเยี่ยมเลยนะใครทําได้ขนาดนั้นนะพระองค์บอกให้มักน้อยมานั่นอีกนะว่าดูความพิสูจนทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ปรารถนาอย่างนี้ว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สันโดษเอานี้นะมักน้อยถึงขนาดว่าถึงตัวเองมักน้อยก็ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมักน้อยด้วยเป็นผู้สันโดษก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นผู้สันโดษด้วยเป็นผู้ ชอบวิเวกก็ไม่ปรารถนาให้ชนอื <tur> ่นเนี่ยนะพวกอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยวิเวกตัวเองเป็นผู้ปรารบความเพียรก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมีสติตั้งมั่นมีปัญญาพิจารณาความเกิดความดับก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมีปัญญาตัวเองเนี่ยชอบใจในพระนิพพานก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองนี้เป็นผู้ที่ ชอบใจในพระนิพานอี ก, ก น, นะเอาเอ า, เอากฤิมากเลยนะสูงสุดมากเพรางั้นนะแต่จริงๆก็เนื้อหาก็มักน้อยเหล่านี้ก็ประมวลอยู่ในมักน้อยในปัจใจสี่มกันมมะนะมกน้อยในอธิคมนะนะมักน้อยในอธิคมมักน้อยในปริยัตมักน้อยในทุดงนะนะ ก, ก็ว่าโดยสรุปเนี่ยนะ ก็เรียกว่ามีคุณธรรมคือมหาบุริสวิตกแปประการก็ไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นรู้อีก อ, อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนที่มักน้อยจริงๆเป็นผู้มักน้อยและยังไม่ไม่ให้อยากให้คนอื่นรู้อะนะแต่ก็มีคนมาคัดค้านว่าเอา้าถ้ามีแล้วเราก็ควรจะบอกคนอื่นจะได้คนอื่นจะได้เป็นทิฏฐานนุคติใช่ไหมถามว่าเห็นด้วยแบบนั้นหรือเห็นด้วยแบบพระพุทธเจ้าแนะนาคือเขาบอกว่า คือเขามีคนน่ะเออเราทําอะไรเราก็จะต้องบอกว่าเรามีคนอื่นเขาจะได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นยางอย่างนั้นนะนะกับเก็บเงียบอันไหนดีกันถ้าโดยโดยนะนคุณเจ้าอมวิจารณ์ยังไงนี่ผมก็ไม่วิจารณ์นะผมไมต้องเห็นดามเข เ, เห็นดาพระพุทธเจ้าน่ะไม่เห็นตามคนสมัยใหม่เขาว่านะเนี่ย น, นะเพราะว่านั ก, ก น, นักปฏิบัติสมัยใหม่เขาบอกว่าถ้าเรามีอะไรเราก็ต้องบอกคนอื่นมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเที่ยวบอกก่อนนะ ใช่ก็คือเนี่ยคือยุคนี้นะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมีคุณธรรมแล้วไม่บอกคนอื่นนะท่านรักษาศาสนาได้มาจนถึงยุคเราแต่ยุคเรานี่มีอะไรบอกหมดแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะบอกเสร็จแล้วก็มันศาสนามันจะไม่ถึงเหลนถึงหลนไปอีกนะเพราะมันหมดไปก่อนนแล้วเนี่ยนะ ที่ทไม่ไม่ให้เปิดเผยแบบนี้นะก็ถ้าของมาตั้งคําถามง่ายๆว่าคุณเวลาวันเนี่ยมีสตังค์เท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้กลับไปเที่ยวบอกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยควรจะทําอะไนมากกว่า ก, กันเอออันนี้เรื่องเด <ๆ S 1> ียวกันเนี่ยประเด็นเดียวกัน<ม>ควรจะเก็บไว้หรือว่าควรจะไปเที่ยวโฆษณาว่าฉันเนี่ยมีเท่านี้นะใช้จ่ายวันละเท่านั้นไปเบิกเท่านั้นอย่างนั้นคือเปิดเผยหมดเลยเนี่ยนะมีในกระเป๋าเท่าไหร่ก็แบบ เจาะรูแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้คนอื่นแต่งให้ดูหมดเลยกับก็เงียบๆซะวันฉันใดก็ดีผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายการบอกให้คนอื่นรู้อ่าไม่ได้เป็นความฉลาดของท่านเลยเนะพูดถึงความดีของตนมันมีอยู่เพื่อเพื่อจะบอกว่ามีมานณเท่านั้ น, นเองพัอ หลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นการปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาจริงๆอ่ะคือเขาจะพูดแต่ความเลวของตัวเองจะไม่พูดถึงความดีของตัวเองอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าพูดถึงคนอื่นจะพูดถึงแต่ความดีของเขาไม่พูดถึงความเลวของเขาอ่นะถ้าพูดถึงความเลวของตัวเองก็มุ่งจะแก้ไขใช่ไหมถ้าพูดถึงความดีก็มุ่งจะยกตนของผู้อื่นถ้าพูดถึงความดีของผู้อื่นก็แสดงว่าเพื่อที่จะอนุโมทนาหรือเจริญ เมตตา แ, แต่ถ้าพูดถึงความเลวของคนอื่นอะไรถ้าพูดถึงความเลวของผู้อื่นนะมันเป็นปฏิฆาในมิตใช่ไหมจิตชนิดไหนพูดอ่ะ น, น, นันก็ไม่ใช่พูดด้วยบุญอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะพยายามรักษาสาวกที่สุดเท่าที่จะรักษาได้เพื่อไม่ให้ใจเป็นไปกับบาปและอกุศลคือสรุปให้ดำรงมั่นอยู่ในกลุ่มมักกะสั์ แล้วพยายามที่จะให้ละไอ้กลมสมุทัยที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะเท่าที่จะสํานวนว่าล้อมกรอบไว้ให้อย่างดีที่สุดเนี่ยนะป้องกันรักษาคำนวนว่ารักษาสาวกยิ่งกว่าเหมือนกับว่าจําจุลีเนี่ยรักษาขนหางเหมือนกันเถอะดูแลเป็นอย่างดีกลัวจะไปเป็นบาปเป็นอกุศลกลัวจะพลั้งกับพลาดกลัวจะไปเสียหายเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นก็ยังก็ยังเห็นนี่แหละ นี่ข้อต่อไปนะว่าเป็นผู้สันโดษก็คือสันโดษสามอย่างในปัจจัยสี่นนะก็อันนี้ว่าโดยสรุปไปเลยนะเป็นผู้สังัดก็คือกล่าวว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมนี้ของบุคคลผู้สังกัดไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในการคลุกคลีด้วยหมู่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูนทั้งหลาย พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีและสาวกแห่งเดรัจฉีเข้าไปหาภิกษุนั้นภิกษุมีจิตน้อมไปโอนไปเงื้อมไปในวิเวกถึงคนมาเกี่ยวข้องใจก็น้อมไปในกายวิเวกเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะตั้งอยู่ในวิเวกยินดีอย่างยิ่งในเนคขมะย่อมกล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยถ้อยคําตามสมควร น, นะก็กล่าวธรรมะที่เหมาะสมในสมัยนั้นๆเนี่ยนะก็ในสมาคมนั้นโดยแท้ถึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็กล่าวธรรมะถาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีถึงเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องด้วยกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะ ใจน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกจิตตั้งมั่นอยู่ในเนคขมะแสดงว่าไม่ได้ประสงค์เพื่อที่จะเกาะเกี่ยวผูกพันอันใดเลยก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียรครานเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษจในธรรมวินัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายธรรมะนี้ของผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ของผู้เกียรคร้านดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วมันเพียรก็เพียรละบาปเพียรเจริญกุศลกขบอกว่าคนถ้าตื่นมากถ้าอากุศลวิตกลุ่มรุมเนี่ยเขาเรียกคนเกียรคร้านนี ตื่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะตื่นทําเนกกรรมวิตกเนี่ยนะตื่นพยาบาทวิตกตื่นนิเหงสาวิตกอันนี้เรียกว่าคนหลับนะในในทางคําสอนนะถือว่าคนหลับคนหลับเดินได้คือหลับจากบุญหมดเลยนะเหลือแต่บาปอะ่ะไอเราก็ตื่นแต่ตาเนะนี่ยแล้าก็บอกว่ า, วาถือว่าคนไม่มีหีริโอตาปะเลยนะเรียกว่าคนหลับตื่นและอกุศลเกิดในะบางอันในขณะเดียวกันก็เขาบอกว่าก็ไม่ได้สรรเสริญการหลับ เพราะว่าการหลับนี่ประโยชน์มันเป็นมันหมดนะประโยชน์ในปัจจุบันก็เป็นมันประโยชน์ในสัมภารยาภพก็เป็นมันประโยชน์อย่างยิ่งก็ยิ่งโมศิดเลยนะอันทองก็สอนเสมอจงลุกขึ้นเถิดจานั่งเถิดจะประโยชน์อะไรด้วยการหลับเหมือนกันนะก็มีสูตรเหล่านี้อยู่ข้อที่เรากล่าวว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นม่ใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกถึงเนี่ยนะระลึกถึงกิจที่ทําคําที่พูดแม่นานได้อันนี้ถ้ากล่าวตามอัตถกถาเสขะปฏิปทาสูตรมัชฌิมนิกายก็คือสติสัมโพชงนั่นเองตามระลึกไข้ครควญได้หมดเรี่ยงเลยนะเพราะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีสติลงลืมเพั้นผู้ที่จะได้สติสัมโพชงเนี่ยนะสติปฐานต้องแม่นยำ ม, มากเหมือนกนเอถอะเอาสูงเลยก็สติสัมโพชงนั น, นะข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของผู้มีจิตมั่นคงไม่ใช่ของผู้มีจิตไม่มั่นคงเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูนทั้งหลาย พิกษุนในธรรมวินัยนี้สงอาจากกรมสังัาจจากอุปสรธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกนั่นก็ว่าสรุปก็คือฌานสีนั่นแหละนี่เรียกว่าเป็นของคนมีจิตตั้งมัน่นจริงๆมิใช่ของคนที่มีจิตไม่ตั้งมัน่นเนี่ยนะข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมนี้ของผู้มีปัญญามิใช่ของผู้มีปัญญาสาม เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วพิสูน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสทําให้ถึงความสิ้นทุกเนี่ยนะพิจารณาความเกิดความดับพิจารณาว่านะสติปัฏฐานขันธ บ, บพะจาได้นะจำได้ว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูป ดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญยาณก็ในายะเดียวกันอันในความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่เป็นอริยะเป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสเนี่ยนะอันในรู้ความเกิดนั่นแหละคือรู้สมุทัยสัตว์รู้ความดับนั่นแหละรู้นิโรสัตว์เพราะฉะนั้นก็รู้ทุกสัตว์กับนิโรสัตว์ก็เป็นอันเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะ ก็มีปัญญารู้ธรมมรมะที่ทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายธรรมะนี้ของผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนื่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนื่นช้า เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายจิตของภิสูจในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความดับกิเลสเป็นเหตุให้เนื่นช้าเขาบ ว, ว่ามีความสุขกับการเข้าพระสมาบัติเท่านั้นเละก็ว่ามีจิตเล่นไปเลื่อมใสในความดับกิเลสเนี่ยนะไอ้ดับกิเลสอันนั้นแหละเป็นชื่อของพระนิพานพานเนี่ยนะถ้ามักเนี่ยนะถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ตัดกิเลสไม่ได้ดเนี่ยนะ เพราะมีนิพานเป็นอารมณ์จึงตัดกิเลสได้เพราะจิตผ่องใสในพระนิพานเนี่ยนะตอนข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมะนี้เป็นของผู้ยินดีในนิปปันจะทำนะคือสรุปว่ายินดีในพระนิพานนั่นเองซึ่งเออซึ่งหลักก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าผู้ยังเห็นอุปาทานขันห้าว่าเป็นสุขเป็นไปได้ไหมที่จะก้าวลงสู่เรียมะ ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพรียงก็ต้องเห็นพระนิพพานว่าเป็นสุขก่อนเหมืนัันเถอะต้องเห็นว่าพระนิพพานเป็นสุขมีจิตน้อมไปในพนิพพานเนี่ยนะอย่างเหมือนในนิพพานสูตรเชื่อว่านิพพานสูตรเลยว่าบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นความเป็นสุขสําคัญว่าเป็นสุขทั้งรู้อยู่ว่าเป็นสุข ตั้งใจมั่นติดต่อกันไปไม่ขาดสายมีปัญญาอย่างทราบทําให้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้ก็ประกาศถึงว่าผู้ผู้เป็นนาบุญของโลกนี่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นพระนิพพานว่าเป็นเป็นสุขนั่นเองเนี่ยนะเพราะจิตเนี่ยมุ่งไปสู่นิพพานที่สงบประงับจากสังขารทั้งมวลใช่ไหมเป็นที่สลัดคืนแห่ง อุปที่ทั้งมวลเรียกว่าปฏินิสโคจาโคมุติอนาลาโยเนี่ยนะปฏินิสโคอ่ะคือความสงบระงับความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรนั่นเองค่ะนะหรืออีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะอ่านะความสิ้นไปแห่งบาปอกุศลอ่านะหรือความไม่เกิดขึ้นความไม่เป็นไปอ่านะอัปปวัตตอนิมิตตาอนายูหะเนี่ยนะ อคติแปลว่าไม่ไม่คติแปลว่าไม่เกิดเนี่ยนะไม่อปปติสนที่อานิพพติหรืออานิพติเนี่ยนะอชาติอชาาอพยาที่อมรณะเนี่ยนะคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกาะปริเทวะไม่รับแค้นใจนั่นเองนั้นจิตเนี่ยน้อมไปในธรรมะที่สงบระงับจากอันนี้นะทีนี้พานุรุพูดถึงพานุรุธาว่าท่านอยู่ที่วิหารปาจีนวังสทายวันแคว้นเจดียนครเนี่ยนะ ต่อไปอีกท่านก็เป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวอันนี้กายวิเวกของท่านก่อนนะไม่ประมาทไม่ประมาทนี้หมายถึงว่าไม่หลงลืมสติในคำสอนเนี่ยนะมีความเพียรเพียรทางกายและจิตเนี่ยนะมีประหิตตัดโตไม่น่าแปลว่ามีจะประหิตตัดโตเนี่ยแปลว่าโดยสัพพยัญชนะแปลว่ามีตนส่งไปแล้วตรงนี้เขาแปลว่ามีใจเด็ดเดี่ยว จริงแล้วแปลว่ามีตนส่งไปแล้วหมายถึงว่าไม่อะไราในร่างกายและชีวิตน้อมจิตสู่พระนิพพานันเรื่อว่าน้อมคำว่าประหิตตโตเนี่ยนะท่านเจริญอยู่อย่างนี้ไม่นานนะก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์อันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งพรหมจรทร์คืออะไรอรหัตผลเนี่ยนะที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตโดยชอบต้องการนั้น ตามศาสนานี้ถือว่าผู้ที่บวชถือว่ายินดีในอรหัตผลหรือต้องการอรหัตผลจึงออกบวชเนี่ยนะพันสามารถทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์และที่ที่ต้องการคืออรหัตตผลด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยนะก็ด้วยที่ปัญญานะในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วชาติไหนสิ้นอนะชาติสิ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้วแปลว่าปฏิสนธิที่จะมีณนะที่ทั้งมวลเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจันทร์เนี่ยนะคือไตรสิกขาเนี่ยทำจบแล้วกิจที่ควรทำคือกิจในอริยสั์สี่ในมรรคสี่เท่ากับกิจสิบหกเนี่ยทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีกิจในการเพื่อจะบาเพ็ญเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสั์ไม่มี ท่านท่านรูทท่ได้เป็นผ้าอรหันต์รูปหนึ่งในจํานวนผ้าอรหันต์ทั้งหลายลําดับนั้นพอหลังจากท่านบรรลุท่านก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าพระาศาสดาเป็นผู้เยี่ยมในโลก น, นะยกย่องว่าโอ้ไม่มีใครยอดกว่านี้อีกแล้วโลกเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยคำว่าโลกเนี่ยรวมโลกิยะโลกในแง่ไหนก็ช่างเถอะไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระองค์นี้ทรงทราบความดํำริของเราแล้วเข้ามาหาเราด้วยฤทธ ทางพระกายอันสำเร็จแต่พระหาหรือไทยเหมือนกับว่ามาด้วยมโนมยิทธิเลยเห น, นพระองค์ได้แสดงธรรมะอันยิ่งกว่าความดำริของเราเท่าที่ดำริไว้คือพระองค์มาสอนมากกว่าที่เราคิดอ่ะเราคิดได้แค่เจ็ดข้อใช่ไเจ็ดข้อในใครคิดได้นี่ก็เก่งมากเลยนะ อยู่ว่างๆคนเดียวนะเออเนี่ยพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีส ต, ติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญานะนะแค่อย่างนี้แค่คิดได้อย่างงี้ก็ยากเต็มดีเลยจ้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้มาสอนให้คิดต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้ายินดีแล้วในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าคือตัวพระองค์เองอะนะพระองค์นี่ไม่ยินดีในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าได้ทรงแสดงธรรมะ อันเป็นเหตุไม่เนิ่นช้าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตน้อมอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานเขาบอกว่าโดยที่สุดนะพระพุทธเจ้ายินดีในนิพพานแม้ขณะแสดงธรรมานะว่างั้นน่ยแสดงธรรมเนี่ ย, ส, ยสมมุติว่าพระองค์สแสดงไปเรื่อยๆๆๆนะพอจบเนื้อความเรื่องนั้นอ่านะประชาชนก็ก็จะสาธุสาธุพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพอเขาสาธุจบก็ออกมาแสดงต่อว่างั้นเน่ย ก็ยินดีในขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ในยินดีในสังขารแม้แต่นิดเดียวเลยจริงๆแต่ว่าที่ทําไปทั้งหมดก็ด้วยพระมหาการุณาเนี่ยนะที่ที่หวังสงเคราะห์หวังอนุเคราะห์จริงๆนะไม่ได้ยินดีอย่างนั้นเลยเหมือนนั้นพันพระอนุรุทธะท่านก็ชื่นชมเหมนะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ไม่ยินดีในธรรม ะ, ะเป็นเหตุให้เนิ่นชา้าแลล ว, ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในนิพพานเพราะว่านิพพานนี่เป็นอา ร, รมณะที่ปฏิปัจจัยของ อริยมรรคอริยผลและก็ปจัจเวขณายานน่นะนี่พอพระองค์แสดงอย่างนั้นเราก็รู้ทั่วถึงธรรมะของพระองค์แล้วยินดีในาศาสนานะก็คือยินดีในโ อ, อ่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยนะเราได้บรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างะนะว่าวิทยกวิชาสามคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายทาอาสวะให้สิ้นก็คืออริยมรรคนั่นแหละ แต่จริงท่านก็ยังมีหูทิพ ย, ย์ด้วยนะมีเจโตปริยญาณมีมโนมยิทีเนี่ยนะมีอภิน ญ, ญาอย่างอื่นอีกแต่แต่ว่ายกมาพอเป็นตัวอย่างโดยมากถามว่าทำไมจึงยกวิชาสามขึ้นมาเนี่ยนะยกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตยานและก็อาสวัคยายานทำไมจึงยกแบบนี้เหตุผลก็คือว่า เพราะว่าปุเพนิวาสานุสติยานกับจุตูปปาตายานมีอุปการะต่ออาสวัคยายนมากอย่างอื่นไม่ไม่ค่อยอุปการะเช่นมีตาทิปเนี่ยนี่ก็ไม่ค่อยรู้มีอุปการะต่อการหมดกิเลสนะรู้จิตคนอื่นนี่ก็ไม่ได้อุปการะต่อการหมดกิเลสแสดงฤทธิ์ได้ก็ไม่ได้อุปการะต่อการหมดกิเลสอะไรฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปการะต่อการหมดกิเลสก็คือการระลึกชาติ แต่ยิ่งระลึกได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีสาระแก่นสารนะปูปลาทานขันห้าไม่มีสาระแก่นสารจริงๆเหมือนกับว่าอนนะจาจังของเราเราก็ได้ระลึกนะว่าชาตินี้มาเนี่ยใช้ชีวิตมากี่วันแต่ละวันไปทําอะไรมาบ้างแล้วมันมีประโยชน์อะไรมาบ้างถามมันน่าเพลิดเพลินไหม น่าพิศวาสมากไหมชีวิตเนี่ยนะถ้าคิดไปโอ้โหไล่ตั้งแต่วันวันอยู่ในคันเลยปฏิสนี่ในคันมานาวันนี้หนึ่งสองสามไล่มาจนถึงจนถึงเนี้ยมานั่งอยู่เนี่ยนะถามว่าหืมน่าจะกลับไปเดินรอบนั้นอีกรอบหนึ่งนะพอใจไหมคุณที่เรามันนี่านามาเอาเเอะไรนะมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้นะแต่ทีนี้ถ้าคนที่ระ ล, ลึกชาติได้ไม่ใช่ชาติเดียวนี่ ทีนี้ชาติมันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หมดเนี่ยนะเงาเงาก็ตกนรกหลายหลายชออหลายๆาลยๆปีอย่างเงี้ยในหลายหายแสนปีเข้าเนี่ยอันนี้โอ้ไม่เอานะแล้วลึกได้โอ้เคยเป็นเปรตหิวอยู่กึ่งพุทธนนันดะรอย่างเงี้ยว่าเคยเป็นเดราชานไปไถนาลากนานั้นเนี่ยหมดไ ป, ป, ปแปลงๆอ่ะนะมานึกถึงอะไรก็ถึงควายที่บ้านตอนนี้มันตายไปแล้วอายุ ม, มากแล้วทำไมาแต่ว่า อายุยี่สิบแล้วมันก็ยังไม่ตายนะอายุยืนพอสมควรกำลังนึกถึงมล้วนี่โอ้โหมันไถานาเนี่ยนะประมาณสักสี่สิบไร่เนี่ยมันไถยอยู่เกินสิบปีอะมันพลิกแผ่นดินอะเนี่ยนะเกินสิบปีอะนะกำังนึกโอ้โหเหนื่อยขนาดนั้นเลยนะชาติหนึ่งนะอันนี้ชาติเดียวกันนะถ้าเกิดเป็นอะไรหลายสิบหลายๆแสนชาตินะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะบางสังตว์บางอย่างเป็นควายไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเนลยนะ จากควายก็ไปเป็นควายจากควายไปเป็นโคเนี่ยถ้าเป็นโคเนี่ยลากเกวียนเนี่ยมันลากมากี่พันกิโลอย่างเงี้ยถ้าเป็นช้างเนี่ยไปไปเอาหัวชนซุงเนี่ยนะมาไปลากซุงบ้างชนซุงบ้างเนี่ยนะแล้วก็ถูกขอสับมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นหมูเนี่ยโอ้โหหมูเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะถึงเขาปรนปรือดีๆแบบนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้กางมุ้งให้มันท้องอองมาเนี่ยเทือกไปหมดที่ไหนเล้าหมูมากที่นั่นยุงเยอะ อันนี้คือสูตรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอบอกว่าท้องเข้ามาเนี่ยแดงหมดเลยยุงเป็นไม่รู้กี่ร้อยตัวนเนี่ยนะกัดมันนะแต่แล้วก็ถึงเวลาก็ถูกเชื้ออีกแล้วอย่างนั้นแล้วเป็นไก่อีกละอันะโรคของไก่มันก็ทุกแบบไก่อีกกันวนะเช่นบางบางบางบางช่วงนี้มันไม่อยากกินข้าวอะไรเนี่ยมันพร้อมไก่มันก็เป็นหรือโรคระบาดเข้ามาเนี่ยนะอันโรคของไก่ก็ทุกอีกโรคของกุ้งมันก็ทูกอีกโรคของแล้ว วัตตะที่ยาวนานเนี่ยนะที่มันไม่มีเบื้องต้นเนี่ยถามว่าไอ้มันน่าเพลิดเพลินตรงไหนเนี่ยแล้วถ้าแล้วด้วยอันนี้ด้วยปุเพนิวาสยานก่อนใช่ไหมจุตูปปาตยาณเนี่ยพร้อมทั้งกรรมมากตา ม, มาเป็นอย่างดีรู้เหตุของการเกิดเนี่ยไปยังไงหมดเลยถ้าปฏิสนธิจากรกเหตุอะไรปฏิสนธิในเปรตอสุรกายสัตว์เดราชาเนี่ยเป็นเหตุยังไงแล้วถามว่าสัตว์ปกติแล้วใครบ้างไม่ทํากรรมเอาเพราะกรรมที่นําเกิดคือกายกรรมบจีกรรมและ มนโนกรรมเหมอะนะมันก็ทำกรรมกันแทบไม่ว่างเวเ้นในการทำกรรมเลยอ่ะเอาไแล้วเกิดอย่างนี้มันไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยอันนั้นแหละถือว่าเป็นฐานของอาสวะคยายานเป็นฐานของการจะเห็นว่าโอ้โหการเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่ำไปเพราะอะไรเกิดเนอะเออเพราะเพราะอะไรมีความเกิดและความตายจึงมีก็บอกกรรมมีก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยแล้วกรรมมีเพราะอะไรมี พมีก็เพราะตัณหาอุปาทานมีตัณหาอุปาทานเพราะอะไรภาษะเพราะเวทนาเวทนามาจากไหนภาษาภาษะมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มาจากไหนก็บอกมาจากเกิดอีกนั่นแหละแล้วเกิดมาจากไหนมาจากกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากกิเลสกิเลสมาจากไหนก็มาจากเกิดอ่ะเมื่อมาตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนก็มาจากเกิดเออไอกองทุกเหล่านี้ดีไหมอย่างเงี้ยไง อันพระ อ, องค์ก็ซ้อมมันนะซ้อมถามว่านี่ขันท่าเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอันผู้ที่มันพิจารณาใครครวญแบบนี้บ่อยๆก็ถา ม, มารถที่จะเบื่อหน่ายในอุปาทานขันท่าเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกําหนัด เพรคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้านั่นแหละจึงรู้ว่าหมดขันห้าแล้วเนี่ยนะเพรหมดขันห้าเรียกว่าสำโรคแล้ววิราคะแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยนะไม่ต้องการขันห้าแล้วนะแต่ถ้าใครต้องการขันห้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขันห้ามันก็แนะนําให้เองแหละใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะใครบอกเออไม่ศึกษาผมไม่เป็นไรเดี๋ยวขันห้ามันสอนเองนะนี่มีหัวเดี๋ยวปวดหัวให้แหละไม่ต้องห่วงอะมีตาเดี๋ยวปวดตามีฟันเดี๋ยก็ถอนฟันอีกแล้ว ไม่อยากถอมนะันยังหลุดมันเองเลยอ่ะหมดเวลาแล้ว